บอลตลอดเวลาเลยพรรษาเจ็ดออกจากออกที่วัดพรษาเจ็ดงนังพรรษาที่หกเติมเต็มเลยหรอเมมองไม่มองหมอกมองฟ้าดูดินอะไรอะไรได้พอเึิมหูเติมตาแ้วก่อนไม่มองเลยก้าวปีป็นตรุมบอลเรแบบละมุนวุ่นวาย มันไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยไม่สอนใครทั้งนั้นอายุบ้านไหนเนาะมาเกี่ยวข้องกับเราอีกมากแล้วหลีกหนีไม่นานอูแล้วเขาเก้าวันสิบวันพอไม่เสียใจแล้วก็หนีไปเลยถ้าบ้านไหนเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่สบายสบายกิฏิบัติพอได้ฉันวันห น, นึ่งวันหนึ่งแม้จะข้าวเปล่าๆมันก็ไม่ตายคนเราไม่ได้กินแล้วพราลองมอวันเนื้อทำแล้วมึืมพูดจริงสถานที่จะนั่นอยู่นานเป็นเดือนๆก็อยู่ เดินอยู่สมเดืินคีเดือนอยู่นอนอยคนไม่มาขวนการเทศนาอาการไม่มีคันพระอะไรเขาก็มาอยู่เราเราอยู่ตามประการเราสนุกบำเพ็ญเมื่อความเพียนสืบต่อกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนเืนเดินนั่งนอนเมื่นแต่หลักนั้นตลอดไปอย่างนี้ทําไมใจจะไม่กล้าก้าวไปหลวงเต๋อข้ออัดขทํารงไหนกมาการกาบเดียวถามกูวาา่าจานแล้วออกไ ป, ออกไป แม่บ้านเธอก็มีความนับถือมากเขาก็ชื่อฟังเราเราก็อยู่การเทศนาว่าการมันพลาดมันขออย่าให้เต้นเลยบอกแล้วก็อยู่เพราะสบายทั้งนั้นตำบลเขาหนักถือหมางเต้นบ้านแล้ว่ากลับว่าอะไรเลยเต็มเขาก็ตามมาเพียงคนของคนเท่านั้นเพื่อให้ออกเสืยอาหารกลับไปพอนั้นไม่เกี่ยวแั่นั้นเราคนอยู่ด้วยน้ำ อาหที่ใหม่ที่ไรกินอะไรออกซิเนโดยการเรื่รรองนั้นเขาอยู่นากจากคนมารุมลมเรื่อยๆยิ่ง ห, หาเลยต้องต้องเทื่อเรือเอาผมควก็จิตใจเราไม่ว่างจากงาน เ, เรียควมอจ อ, อกร่อนฝ่าเท้าหากไมนถึงฝ่าเท้าแตกมันขึ้ปรกรัน พระโสดาเนี่ยที่ความเพียรแกร้กล้าเติมแต่้าแต่เป็พระโสดานัาน่นลหละผู้ที่จะตักตวงรอบผลิพันธท่านดำเนินอย่างนั้นผู้จะตักวงเอาเวินเอาทองมาตัางสมวิเดชเต็มหัวใจก็จะสะแยง ห, หาเรื่องนั่นเรื่องนี้นั่นสว่าไง หาเรื่องให้เกิดในวัดมีงานนั่งมีงานสร้างสร้างนั่ ง, า ง, งหาเรื่องความของบุญกตรงนงเหล่านี้เป็นค่าสิทธิ์ต่อการลังผึ่งแม้จะเป็นมรรค ก, ก็าตามมันเป็นมรคค่าสิทธิ์สำหรับผู้ปฏิบัติตัวนั้นสำหรับได้ดโยมเป็นมรคแท้เป็นทางเดินของเขาแท้แำหรับพระผู้ปฏิบัติจริงแล้ว มักอยากนันมาทำลายมากเลยนี่ยมันไม่เรียวหว่ามากได้แลนะ้วการคิดมาฟังฟังให้ถึงใจนี่สอนหมูเพื่อนสอนให้เจตนาจริงๆไม่ได้สอนเพื่อ อ, อ, อะไ ร, รทำอยางนี้ศึกษาถึงใจมีเราทําอะไรเราทำมีผลทุกอย่างการสอนธรรมะจะไม่มีคนคิดแล้วจะสอนก็เคยผ่านมาแล้วด้วย ขุดค้นลงไปที่เรื่องจะอยู่กองเท่าภูเขามันกลัแตกกระจายมันเนือปัญญาเนือสติเนือความเปลี่ยนเป็นไน้ะแต่นั่งแบบหัวตอไม่ไม่เรื่องเดินยันคุมถ้ามันง่วงจะหลับก็ลงอดนั่งภาวนาเขม่วงจะหลับก็ลงเดินเนี่ยพิถาเรื่องก็ครั้งปการมยังมีแมงอง มงห่วงต้องเดินยุคเดินย็งอ่วงเดินลงน้ำลงน้ำมันก็ยังจะง่วงลงไปเรื่อยๆจนตั้งเอาฟางลงไปแช่น้ำแล้วโบที่ศัตทำกัน้ี่ะวัติไ่้อมีพอรอมีอะไรอย่างนั้นทเพียงนี่หน่อยว่าจะตายว่าเดี๋ยวทำเพียงความจริงสติ มันไม่อยู่ความเพียรมันถึงไม่รู้ถ้าสติได้จดจ่อ ก, กันเตบความสนใจจะทราบเหตุทราบผลในสิ่งที่มาสัมผัสมาเกี่ยวข้องอยู่แล้วมันต้องสะดุดสะดุดเรื่อยๆเพราะสิ่งสัมผัสสัมพันธ์มันรอบตัวเนื่องจากตาหูจุงกลิ้นกายมันรอบตัวสิ่งสัมผัสสัมพันธ์กันมารอบตัวสติตั้งอยู่แล้วปัญญาคอยจะพิจารณาเอาเหตุเอาผล เอาจริงหรือไมาจะไม่ได้นี่แหละทั้งปัญญาปัญญาเกิดได้ทุกเวลาเพราะสิ่งนําผัดมันมีตลอดเวลาทําไมใชาจะติดปัญญาต้อหมอกจิตใช้เป็นสมาธิทำไมหรือหญิงคาจะใช้ปัญญาท้าใช้ท้ายใช้มันเต็มที่เต็มฐานถีงเวลาจะเป็นสมาธิมัเป็นจริงๆ มันจะหมดข้อหมดข้อนะเวลานี้ศาสนามีแต่ชื่อเขาว่าหัวล้นพาเหลืองไม่ผิดเขาจะไปตําหนิเขาได้ยังไงมันเป็นไปแล้วเวลานี้การปฏิบัติมันไม่เป็นไปตามล่องลอยของพระของสมณะของนักบวช ม, มันเป็นแบบโลกโลกทั้งนั้นที่เหมือมันเป็นแบบโลกแล้วมันมันก็เลวยิง่งกว่าโลกว่าโลกอีกบพระโลกเขาวธรรมดายแล้ว เราเป็นเพที่สูงไปทําเหมือนโลกเข้าไปไมันก็รูกว่าโลกเขาเห็นประกอบความภาพเพียรอยู่ด้วยกันของไม่แน่นอนมีการรับผาแจากันอยู่ตลอดเวลานันโลกนี้จังเราอยู่กับโลกนี้จังตัวเราก็เป็นนิจจังทุกขังน้นตาตาโลกมันก็เป็นอย่างนั้นสิ่งเกี่ยวข้องของเรามันก็เป็นเหมือนกันคือไม่ควรนอนกใจ เวลาอยู่กับครูอาจารย์แม้จะมีงานนั่งงานงานี่มาคอยระมัด ร, ระวังท่านครัวท่านบูท่านด่านาั่นก็เป็นทัศน์เตี่ยเราเคยมาแล้วทั้งนั้นมาคิดอยู่ลำพังเรามันก็ไม่ได้เหลืองผมเคยไปตอนที่กิจยังไม่ได้ลักเด็ฐานอะไรเลยอยู่ครูอาจารย์แล้วก็ดูเวลาเราออกไปเรื่องความภาพความเป็นหนี้มันไม่กี่วัน แล้วเดี também, um passage, load, um, o, ๋ยวจิตมันกร็ดำปี่เหมือนถ่านไฟไม่มีไฟแล้วเป็นนักแดงโลกมันถ่านเหมือนถ่านไปที่มีไฟเผาเจ้าของมันเป็นเรื่องอะไรเลยนี่เราเห็นเป็นอเป็นประมาณได้แต่สมมติว่าออกปที่วัิคนเดียวเราไปไม่รอดอย่างเป็นอย่างนี้ลูกเจ้าของคือทั้งเจ็บหนเพียงไปชั่วคราวมันหมดมีหมายถึงจิตมันยังไม่ได้หลัก มันต้องอาศัยพิธีนกูกระต่าถูกรูกดาว่าก่าวอย่างเหมือนมันก็ได้สติสตางได้นามัดระวงังความนวมัดระวังมันเป็นมัดคือเป็นสติคือเริ่มตังคนเดีมันนอนใจดีลงกายของความีเกียจยกความเพียรไม่ขึ้นแต่ทาที่เราตั้งใจก็จะออกความเพียรอะไรยกไม่ขึ้นยย เมื่อจิมันมีหลักขึ้นมาตั้งแต่เริ่มแบบสมาธิขึ้นมาแล้วอเออควชั่วไปที่ไหนมันก็เป็นหลักของมันอย่างนั้นเป็นตัวอยงว่าเราสอบเสืองหาความเพิ่มเติมให้ละเอียดละอ่อนยืมไปออกทางด้านปัญญาด้วยแล้วมั น, นเลื่อยที่หนึ่งหมุนเื่อยเลือ่อยเลือเล่อยในก็เป็นความเปลี่ยนไปอยู่ค น, นคเดียวเขาขอมเปลี่ยน ยิ่งอยู่คนเดียวแล้วยิ่งเหมาะที่สุดไม่ไปพูดกับใครเลยทั้งวันให้มีแต่การดูจิตดูความคิดความปรุงของจิตมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรมันหมุนติวติวมันฟาดมันเหวี่ยมมันอย่างนั้นโอ้มันจะเรื่องนึ่งเรื่องปัญญาเวลามันจะออกแล้วมันไม่ได้โม้วนอยู่ตลอดเวลาคนเราความกิเลสครับผมมันเฉยมันดิดตัวไม่ได้ ค่กิเลสค่อยจางลงจางลงเบาไปเบาไปจิตมีความสงบพอแล้วนั่นแหละเอาความสงบนั่แหละขึ้นมาฟื้นปัญญาจิตทีのの่มีความอิ่มตัวความพอตัวด้วยความสงบย่อมตั้งหน้าทํางานให้เป็นเป็มเม่เป็นหน่วยไม่เหมือนจิตที่กําลังหิวโหยคือไม่มีสมาธิเลยอยากดำเนินปัญญาโดยลํำดับสลำดับไปธรรมดาธรรมดาไม่เป็นปัญญาเลยมันเป็นไปไม่ไดมันกลายเป็นสัญญาไปเสี้ยจิตมันฟุ้งซ่าน มันไม่เป็นปัญญาให้นอกจากเวลามันจําเป็นเป็นกรณีพิเศษมันขุดกันด้วยปัญญาทั้งทั้งที่มีมสมาธิแบบขุดกันด้วยปัญญานะแล้วจนเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นได้อย่างที่เขียนไว้ว่าปัญญาบนสมาธีเพราะเราเราเคยใชแล้วเช่นอย่างทุกเวทนาเกิดขึ้นน้ำหมากมันจะไปไหนอะไรที่มันขุดกันเข้าไปแล้ การคุ้มลงไปนั้นสติจ่อยตลอดเวลามันมีเวลาพลาดั่ ก, กังกับปัญญามันก็รู้เห็นรู้ผลรู้ความสัตย์ความจริงขึ้นมาจิตมันก็อยู่มัดมันก็นกดูดีไม่ได้อะไรก็ตีตั้งเข้ามาตั้งเข้ามาด้วยสติปัญญาอยูย่นี่เรียกว่าปัญญาลงสมาธิจิตมีความสงบตัวได้ด้วยอำนาจของปัญญาแต่ความสงบตัวของสมาธิโดยลําพัง กับความสงบตัวของจิต ด, ด้วยอิายของปัญญานี้มีตามกันอยู่มากคืออาถานที่สุดเข้าไปอยู่นู้นก็อาถานถอนออกมาแล้วก็อาถานผิดกันปัญญาลงสมาทินี่ผลแสดงผิดกันคืออาถานมันสงบตัว่วยสงบดูด้วยความอก <c oughs> อาจอนจกเื่องะไรรบ ฟางาตับตวงมาเอาให้กินให้จังคนข้างในให้เผลอเอาข้างนอกด้วยข้างในด้วยประสัทประสาทกันอนึ่งร่างกายเกี่ยบเขาเกี่ยบเราเวลา จิตงบไวเฉยไม่ได so ้ถ e ้ฉลาดก็เฉยก็ไม่ได้สงบก็ต so ้องทำอุบายเพื่อความสงบฉลาดก็ต้องหาอุบายปัญญามาคิดคนนั่งสงบแล้วเฉลียวฉลาดไม่ได้คำว่าทำคำวมาสมาธิคำวมาปัญญามันจะไม่มีเหลือหละเลย มักผลวิภานไม่มีเคยเอ่ยถึงเลยพูดทั้งเรื่อ ง, งการบ้านกันการฝังฝังจิตหลิ่ยิ่งกว่าโลกเป็นไปอย่างนั้นทั้งนั้ น, น, นเราจะว่าทั้งนั้นจะนั้นเพราะมั น, นามากถึมากเป็นอย่างนั้นเราอยากให้เป็นเราบวชมากเพื่อจะถากพทพุทธทางธรรมเราเส้นทางเส้นสนำภาษาหลักกันอง่รา หลักยึดถมมีถูงนั้นไม่ใช่หลักยึดมันจะเป็นสักกี่ม่นกี่แสนกี่ล้านมันก็เล้วไหลท่นนั้นความเล้ยวไหลนั้นจะมีจานวนมากเท่าไหร่ก็มีทุนสารุณเรจะมาเป็นสื่อเป็นทางเดินของเราไม่ได้ทำธมังสันงํารสนางฉาบตายตัวอยูที่ที่เระุทธเจ้าก็ทำประสมเป็นหลักใหญ่ยิ่งกว่าพิมพ์ใด เองไปความเปลี่ยนสติพยายามตั้งให้ได้เดินยุงไปถึงนสมบาตก็ให้มีสติตลอดไ่ะตามคนต่างกาหนดนสติตัวเองหยังนอ้อยใครเป็นสัมปัสัญญาคือความรู้สึกตัวเถอะม่สนใจกับใครใส่บาทมาผู้หญิงผู้ชายรู้ตัวอย่างนั้นออกมาการรู้ตัวมาตลอด ทำการทํางานในพยายามสุขัดสติของตัวเองให้มันมีความรู Missy? ้ตัวเรียกว่าสัมปัจจัญญาเมื่อรู้ตัวเโดยความสืบต่อกันโดยสมองเสมอก็เรียกว่าสัมปัจจัญญารู้ตัวโดยขณะขณะเรียกว่าสติส่วนกายเป็นไม้ตีนขาปัญญานั้นมันเหนือจากนี้ไปไม่เรียกสัมปัจจัญญา เพราะหมาคือมามยาคือหมายว่าแก่กล้าเป็นที่แล้วกําหนดไม่กําหนดก็เป็นความรู้ตัวอยู่อยงั้นตลอดคือไม่ขึ้นอยู่กับว่าเราตั้งท่าไม่ตั้งท่าอันนั้นตั้งท่าอยู่แล้วโดยหลักธรรมาชาติของตนมาถึงขั้นอย้างนี้ทำงานเองได้ร่างเอาไว้เพลินกับเพลินความเห็นโทษเห็ น, นทุกภัย ให้วัตถุผสารคืขขอความเกิดตายนี่ก็เห็นมากคุ้มยอความเป็นคุณของความถดถ้นไปเสียนั่นก็มากเท่าเท่ากันระยะมาถึงถอยไม่ได้คําว่าแพ้ไม่มีในจิตนี้ม่ได้อนเอาจนตายอยู่ด้วยกัน่ะกอดคอกันตายระหว่างเรากับที่เหลที่จะให้ตายเฉยด้วยการยอมแพ้นี่ไม่มีถึงขั้นนั้นเอาจริงๆ ที่ยวับแพ้บ้างชนะบ้างแพ้บ้างชนะบ้างหันชนะมากขึ้นกว่าแพ้ชนะมากกว่าแพ้ต่อไปก็ถึงขั้นแน่ใจเรื่องถึงสติปัญญาเป็นขั้นแน่กใจแม้กิเลสยังมีอยู่ก็ตามความแน่ใจของญญานี้มันแน่แล้วจรินั่นแหละตรงนั้นเองตรงที่ว่าแพ้ไม่ได้จริงถ้าแพ้ก็ให้ตายเสียดีกว่าจะมาแพ้แล้วอะไรจะทนปัญญาขุดคุ้ยค้นคุ้ยเฉียบ เรเยมาเดี๋ยวมันก็ได้เหตุได้ผลขึ้นมาบุตรขาดไปเมื่อเหตุผลมันพร้อมแล้วปัญญาเข้าใจไปที่นี่นะเนี่ยทันแล้วอันนั้นขาดไปอันนี้ขาดไปเลยกานเก้่กิเลสที่แรกอย่างทันทาปัญญาเหมือนอย่างพวกเราเราทุท่านปฏิวัติลำบากทำรู้ได้ช้าก็ต้องดำเนินตามมาก็ตัดไป ทิ้งสองทิ้งเข้าใจไปเรื่อยขาดไปเรื่อยปัญญาเข้าใจตรงไหนไม่ขาดาสันญาพิเรศขาดไปแล้วไม่ต่ออีกมันเรียกว่าขาดขาดไปเข้าใจตรงไหนแล้วก็หมดไปหมดไปเบาลงไปเบาลงไปจนกระทั่งมันเข้ารวมตัวแล้วดังที่เคยพูดให้ต่ำรวมตัวเข้าไปหาจิตอันเดียวรวมตัวเขาไปหาจิตจิตอันเดีย ว, ว, ว, น, ยวนั้นเป็นพิเรศ อ, อันเดียว แวิชาแนวอวิชากิเลสประเภทละเอียดที่สุดก็คือวิชาเมื่อใชปริาามาณถูกตัดถูกทําลายหมดตมัดสะพานหมดสืบต่อกันไม่ได้อิจฉาวิชาพิจนานณาลงไปที่ไหนพอตรงนั้นมนันแตกกระจายไปแล้วมันก็หมดมานานันหายคนเดียวอันนั้นเพิ่เดียวอันนั้นมันไม่มีเลย ขนาดนี้เป็นขนาดที่อศัศจรรย์มากทีเดียวป <P ew> ึ๊บเดียวเลยห <M et> มด้อง ต, ตัวอัศจรรย์อศัศจรรย์คือตัววิชาอัศจรรย์ตรงนั้นมเหมือนกองกขี้ควายผูกไป้ด้วยปัญญาแตกกระจายหมดไม่มีอะไรเลือเป็นวัธรรมชาติที่บริสุทธิ์ด้วนั่นอศัศจรรย์แค่ไหนพูดไม่ถูกเลยจีอือศัศจรรย์อันนี้มันยังเห็นเป็นตึด จกเป็นต่อมเป็นะไรพอนี่หมดแล้วไม่มีสมมติไม่มีเราจะเป็นหมายอะไรอย่างเงี้อย่างเป็นงานสำเร็จืองงานของเราสำเร็จเริ่มไปจงแตง่ขั้นเริ่มแรกคอไก่กอกาเ ก, ก, ก, กสาลง ม, มานะคารันตาแต่จูนี่แหละจะว่าก อ, อไก่อกาก็ถูกจะว่าสูงทำสูงก็กได้นะ ได้หมดนั่นแหละแยกปูๆกับเชลกอไก่กอกาพี่นาเนี่ยกายรับจมีอยู่ด้วยกันอะไรสูงอะไรต่ำกายเวทนาจิตทำอยู่ด้วยกันอะไรสูงอะไรต่ำถ้าว่าไม่สูงไม่ต่ำมันก็เป็นอย่างนั้นยืนเป็นความจริงเสมอกัารจะอะไรมาสูงมาต่ำต่างกันล่ะของพี่นาเยาวลมาละขาลันตาตะโจอาการอะไรอาการหนึ่งเข้าใจว่ามันจะวิ่งตลอดทอดถึงมันหมดซึมซากันกระต่างถึงเนื้อหนังเองก็ดู แบบไปใช่ถงทะลุไปหมดเป็นความจริงเหมือนกันะวราไม่เข้าใจสติก็ละเอียดปัญญาก็ละเอียดีิเรียดก็ละเอียดลงไปละเอียดลงไปความฝ่าวุ่นขุ่มัที่เคยเป็นมานั้นก็หมดไปเหลือแต่ส่วนละเอียดมีทุ่นทุนขนาด น, นั้นก็ไมถอย ผมอยู่คันเริ่มแรกเนี่ยเฉพาะอย่างยิงกามังคีเลศเป็นสำคัญมากจิตไม่ได้รับความสงบเลยเป็นทุกข์มากนะทุกเรื่องนี้สาคัญมากถ้าจิตพอเป็นสมาธิแล้วพอหลบพอหลีกกันได้จิตไม่ค่อจะยุง่งอยู่นู้นตะวันวานากับเสิ่งนี้นะมีเคยเป็นมาแล้วพอปฏิบัติที่เนแรกพอจิตมีความอะไบ้างคันละเอียดบ้มมาง เป็นกระท้องจนสงสัยเจ้าของนะทั้งๆที่อยู่กับพ่อหม่องการเนี่ยกินเมื่อเคยเป็นหาที่มาแล้วแต่มันสื่อมมันจยกแันเร็วแทนาคะนี่เร็วที่สุดแต่มันไม่ถึงก็แสดงทางอวัยวะนะมันแสดงผ่านไอจิตรัรู้ว่ามันเหนียวนี่ทำไมทำไมนีมาปฏิบัติมาจิจแต่ตก่อนั้เรียนหนังสืออยู่ ก็เห <sniff> in <flight> ็นมันเห็นมันเฉยยังไม่เห็นไปเหลืองก็อยากผู้หญิงอะไรนี่เฉยทําไม่หลับเห็นไปสนใจในจิตใจถึงจุดเด่มีอยู่มันก็ไม่เห็นมีอะไรทํานมากระตุกระเทือนภายใจิตใจเพราะเรื่องยาฆ่าปันทานแต่นี่เวลาเาเป็บัติทำงานนี่เป็นอย่างนี้นทำงานนี่เป็นอย่างนี้เนี่ยไม่สงสัยเรื่องของมันเราเป็นในจิตไม่ได้แสดงมาทางวิญญาเนะเราเป็นภายในจมันแยกแยก ไดยิเสียงยับพอมองเห็นภาพยับความจริงเรามีสติแต่ก่อนเรามีสติมันไปอะไรก็ไม่รู้เหมือนกับหลังเหมือนนี่มันดําไปหมดอะไรมาถุงก็ไม่รู้สิเพราะมันดําไปหมดมี่พอมมีดาวมีดาวมีขาวก็บ้างมันมันรู้ได้เลยแต่มันก็รู้ท้านั้น่หละมันมันกำเริบยิ่งกว่านั้น่ะมันแค่รู้ให้านั้นแะแต่เจ้าของพุทธต้องการจะไม่มันมัน จิตร่างกานี่มันก็เกิดความสงสัยทำามันเป็นอย่างนี้ที่งาวเลยมันละเอียดมันรวดเล็วทำไมมันเ็นอย่างนี้ทำไมันจรึงรวดเร็วเรื่องอะไนี่นักอ่ะตะควันไม่เคยเป็นอย่างนี้สงสัยเร้่ของก็ยิ่งทําให้เล่นความเครียดยิ่งตั้งสติจิตมีความสงบเป็นสมาธิข้อแล้วที่นค่อยเย็นเรื่องอะไรนั่นนก็ค่อย จางไปจางไปหาไปไม่เกิดสิ่งคิประยุกต์นเราคิดปั๊บคิดปั๊บมันก็ทันทันกันทันางนเลยแก้ไม่ได้ติดามพอคิดเรื่องนี้ปั๊บมันทันทีดเรื่องื่นไม่ทัาแต่คิดเรื่องการยืดเหลือมันทันทุกทีทุกทีเนี่ยพอมันใกล้เข้าไปมันทํากันทีนเรื่อื่นไม่ทําแต่คิดเรื่องนี้มันทําถึงจะทําการทำงานเราอยู่นั่หนักก็ตามเช่นถามเสาอยู่ที่ถามมาอยู่มันคื่มันมีการซ่องแซมบุติต้องถามมาหามเสามาอย่าง ยู่วัดน้องผึง่งเพราะพระเนี่ยมีมากตอนจัดทำนั่นนี่ฮพระน่ะทำแล้ามาวมันคอยเอาชาตกรมมายุ่งเนี่ยพวกแม่โครงการปุ้ยนี่ใส่เงินกับเราีรือเรารเรียนมาแา่แท่งก็ถูนกนีแต่พระแต่เนี่ย จ, จะทํมาอ้าวพระนั่งทำปุบ๊บวะอย่าโยงมายุ่งนะเวลาทามาเนื้าหลังมันคิกปุงมเปนยักษ์มามันรู้ทันทีเลย รู้ ท, ทันทีรู้ทันที <c oughs> ถึงเราต้องแนะนําดืวอนี้ขึ้นประกาศท่านแก้ดีแ น, นอาจารแค้ได้ดีมากเพราะอผ่านไปแล้วนี่จะมาแก้่งละเอียดที่น่นน า, า, นารังกา จับลงไปตรงจุดไหนจุดจิตจ่อยนั่งตั้งตีนั้นอาการนั้นมันมีรูปลักษณะยังไงกําหนดอ่ า, ากเัเพินมยิงกรสียิงอะไรนั่นก็ได้แต่พอมันติดใจเขาแล้วมันคอยืูนซ่าไปเองไปทั่วหมดอวัยวะมันเป็นแล้วมันปเป็นพอมันจับติดเกาะติดแล้วจิต ก, กับอาการนั้นติดกันชัดเจีแล้วซูมซ่าไป การพิจารณากายเป็นนําคันอ่างมากนะ้วเป็นคุณเกี่ยวเรื่องการมาราคาด้วยเรื่องทพิจารณามากๆการมาราคามันค่อยจะครอบหลนะังื่องนี้มันเป็นเครื่องยืนยันกันตัวทุกพระอาชุพังนันบอกอย่างตัวเนี่ยเช่นอิ้ิยะข้างนอกก็ไม่ให่อะไรผิดกันมันก็ไม่ไปคิด น, น่ากังวลความไม่ากังวลมันก็ไม่ควรใจอยู พอยิงสนุกจะนาให้แรงลงไปหนักแน่นลงไปเรื่อยมัเอาจนกระทั่งมันขาดจากกันอย่างนี่เห็นไหมพิจนาอธิบายมันเพื่อนกฟังดีกว่าเป็นประพับธ์ไป